คนไข้ที่พยาบาลได้ง่ายมีอาการห้าอย่างพิกษุทั้งหลายคนไข้ที่มีอาการห้าอย่างพยาบาลได้ง่ายคือ 1. ทําความสบาย 2. รู้ประมาณในความสบาย 3. ฉันยา 4. บอกอาการไข้ตามเป็นจริงแก่ผู้พยาบาลไข้ที่มุ่งประโยชน์